พระธรรมเทศนาแผ่นที่83าลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่28ตุลาคม2558มีชื่อเรื่องว่าการทำงานสำคัญทุกหน้าที่ วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้ยห้าสิบแปดเมื่อวานเป็นวันออกพรรษาคณะสงฆ์ปรวรณารู้สึกว่าพี่น้องประชาชนจัทธาาญาติโยมจากจาตุรทิศจาตุรทิศคืออะไรจารตุรทิศคือทิศทั้งสี่ ว่าจารตุรทิศคือทิศทั้งสี่จตรุแปลว่าสี่ทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันตกทางทิศเหนือทิศใต้มารวมกันมาร่วมกันทําบุญตักบาตรเมื่ชาวหวานรู้สึกว่าอบอุ่นพี่น้องศรัทธญาติโยมมากผู้ทีได้ทั้งจิตอธิษฐานก่อนที่จะเข้าพรรษา ก็คงจะามาแสดงความเยียนจบหรือว่าจบในงานที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วบางท่านบางคนอาจจะมาขอพรจากพระพุทธอุดมมงคลผือพระพุทธรูป ท, ที่เราที่เราได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้เพราะว่าเรา ตั้งมั่นตั้งกิตไว้ในใจว่าข้าพเจ้าจะทำอะไรในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะงดปุรีข้าพเจ้าจะงดเหล้าข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันข้าพเจ้าจะทำบุญตักบาตรไม่ให้ขาดในพรรษาหรือว่าทุกวันอาทิตย์หรือทุกวันพระวันนี้เมื่อวานก็จบละใครขาดตกบกพร่องบ้าง มันมีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราทุ ก, ท, กท่านเองพวกเราทุกท่านรู้ว่าขาดตุกปกพ้องตรงไหนอย่างไรแปลว่าปีนี้แปลว่าครบยกละถ้าเป็นมวยไทยก็สามยกครบละถ้ามันเป็นมวยสาโกนก็ครบสิบสองยกนะอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะเออได้ยินแต่เขาว่านลุงพ่อก็ว่าไปตามเขาอย่างนั้นนะแต่นี้พวกเราสามเดือน ครบยกแพ้หรือชนะก็ไม่มีใครที่จะรู้นอกจากตัวของเราเองเราเป็นผู้ดูตรวจตราเราเป็นผู้ชนะและเราเป็นผู้แพ้สามเดือนที่ผ่านมานแต่ว่าแพ้แปลว่าเราตั้งสัจจะแล้วกว็โกหกตัวเองต้มตัวเองโกหกตัวเองไม่ไปอย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้อันนั้นแปลว่าแพ้ ถ้าว่าชนะเนะี่ยก็แปลว่าได้ทําตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้นะีเมื่อวานก็เห็นพี่น้องประชาชนเข้ามาก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ตอนบ่ายก็มีการตอนเที่ยงก็มีการประวัรณาพระสงฆ์ก็ทําพิธีกรรมออกพรรษาแต่บัดนี้ออกพรรษาแล้วนะทีนี้เมื่อวานก็ยังรักษารักษาราตี ตั้งแต่เมื่อเช้านะี่ยนะพอพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาไปว่าพรรษาจบแล้วแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นยังไม่จบนะแต่ถ้าใครทะเลาะกันแห น, นีออกไปก่อนยังไม่สว่างเลยยังขาดพรรษาอยู่อยังขาดพรรษาแต่บัดนี้ออกพรรษาแล้วไปไม่ขาดพรรษาละอันนี้ก็คือ พระเมื่อวานในประวรัตนาแต่เมื่อคืนนี่กับพี่น้องประชาชนมาไหว้พระสวดมนต์ก็มากคืนเนียสรุปแล้วก็คือถึงจะออกพรรษาหรือไม่ออกพรรษาคุณงามความดีของพวกเราจะต้องเตรียมพร้อมไว้อยู่ในจิตใจอยู่เสมออันนั้นก็คือบุคคลที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ไม่ว่าพระไม่ว่าคณะสัาาตยาิโยมฝ่ายพระก็เหมือนกันจึงจะออกพรรษาแล้วไม่ใช่ว่าแก่เจ็บตายก็จะออกไปด้วยไม่ใช่อยูกับตัวของพวกเราเพราะนั้นให้พวกเราประกอบคุณงามความดีแต่วันนี้นะวันนี้เมื่อฉันจะหันเสร็จแล้วฝังไว้นะให้พวกเราพวกคนในวัดเรียกว่ากลูบาช่วยๆกัน ว่าองค์ไหนที่จะมาร่วมประชุมเดี๋ยวหลวงพ่อจะประชุมนะประชุมพวกในครัวพวกกลุ่มศรัทธาญาติโยมที่เกี่ยวข้องนั้นที่เราจะทํางานเราจะต้องเดินไปแบบไหนเราจะเดินอย่างไรมันจะเดินไปพร้อมกันไม่ใช่ว่าเดินเตะแก้งเตะขาเออกันไม่ได้เดินตรงไปพร้อมกันออต้องการความพร้อมเพียงสามัคคี อในหมู่ในคณะถ้าหาว่าไม่พร้อมเพียงสามัคคีเราจะไม่ให้สำคัญบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งหมดแต่ขนาดหลวงพ่อหลวงพ่อยังไม่ให้ความสําคัญกับตนเองแล้วหลวงพ่อจะให้ความสําคัญกับใครเอในบรรดาที่อยู่ด้วยกันต้องสําคัญด้วยกันต้องความมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันนั่นแหละอันนั้นก็คือความถูกต้อง จะให้ความสําคัญกับหลวงพ่อคนเดียวพอหลวงพ่อตายไปแล้วนะจะทํายังไงพวกเราก็ผูกคอตายไปด้วยกันใช่ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อตายไปเราจะทำยังไงท่านตายไปแล้วพวกเราเอ า, เอาตั้งตนใหม่เพราะฉะนั้นเราทํางานด้วยกันก็เหมือนกันนะั่นแหละถึงใครจะมาหรือไม่มาพระพุทธมานะั่นสําคัญทูตพิมไม่มาอย่าไปให้ความสําคัญเพราะไม่มาจะให้ความสําคัญได้ไงไม่มานะ เพราะนั้นให้พวกเราให้ความสำคัญในการเป็นอยู่หมู่คณะเท่านั้นแหละไม่ต้องง้อใครทั้งหมดเกิดมาต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างตายแต่ต้องทำความดีที่ต้องการความพร้อมเพียงสามัคคี่ในหมู่ในคณะในกลุ่มของพวกเราให้เป็นพึกแผ่นนี่แหละหลวงพ่อเน้นหนักจุดนั้นนะคณะธรญาติโยมแต่ขณะที่ ถึงจะน้อยก็ทำดีที่สุด เ, เราจะแปลกไปโยนภาระหรือว่าโยนเรื่องคของเราให้คนอื่นไม่ได้แต่ตัวเองไม่มาจะโยนเรื่องขอ ง, องตัวเองให้คนอื่นทำอันนั้นไม่ได้อย่ารับเห็นไหมแชมป์เขาก็บอกว่าอย่ารับอะไรทั้งหมดนะเพราะนั้นเราต้องฟังไว้ว่าอย่ารับแต่เราจะทาอะไร น, นั้นเป็นเรื่องของเรา เราจะทำอะไรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยวันนี้แหละจะได้พูดคุยกันเราจะรับรับเป็นการอะไรแต่ว่าเรื่องภายนอกเราอะาเพิ่งรับถ้ารับมันเป็นภาระถ้าเราทำไม่ได้มันเสียหายเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี่แหละต้องพูดกันทำความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ต่างคนต่างไปใจใหญ่ต่างคนก็จังปากบอนต่างคนก็ต่างปากแบล็ลับไปเลย ผลที่สุดพอรับไม่ได้ก็โยนมาให้หมูพอโยนไมให้หมูก็เดือดร้อนทั้งหมู่ทั้งคณะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันจะต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันม่นต้องเนี่ยความพร้อมเพียงสมคู้ในหมูในคณะถ้าไปไปด้วยกันดีที่สุดถ้าแตกฝูงเนยอย่าเป็นฮีโร่นะระวังให้ดีฮอถ้าเป็นฮีโร่แตกฝูงไปลนะผลที่สุดนะั่นแหละมันจะไปไม่ได้ จะไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะดีกว่ามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแต่หากว่าผู้ใดก็ตามจะไปพร้อมเพียงสามัคคีกันอย่างละลาละหลังละลาละห ล, ะ ล, ะ ล, ะละังเตะทิ้งอีกเหมือนกันเ <c oughs> ขี่ยทิ้งเอพอทําทําให้มันเป็นทําให้มันเรือพ่วงมันไปไม่ได้ <c oughs> เหมือนครับเอเราจะพายเรือไปเลยนะไปเกาะเรือมีอะไรเอสาหลายมีอะไรเกาะเรือไป เราจะทํายังไงเราจะไปเอาไปก็ไม่ได้มันเกะกะเนี่ยก็ต้องเกียร์มันออกเกียรทิ้งไงนี่แหละเอ้ไม่ใช่ว่าความพร้อมเพียงจะมาเกยียมีอะไรก็เอาไปหมดทำหมดไปได้เน๊ะอหมันต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันนะพวกเรานะเอถ้าว่าขึ้นเรือก็ขึ้นพร้อมกันเอลงเรือก็ลงพร้อมกันเวลาขึ้นเรือก็พายเรือก็พายพร้อมกันถ้าคนหนึ่งพายเรือเอาเนื้อผุนเอเอาขาลาดับค้อนทบเลย ตัดขาทิ้งเลยทำไมวะทำไมคนหมู่พเพื่อนตั้งใจพายเรือตัวเองทำไมจึงไปเอาขาลาักน้ำอย่างนั้นมันคิดได้ยังไงมันทําได้ยังไงพวกเราก็ต้องเอาอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะนั้นหลวงพ่อสอนลูกศิษย์ลูกหาสอนข้าราทธาญาติโยมให้ใช้ความคิดให้ใช้ปัญญาให้ใช้แนวความคิดกันติสัจจะ ปัญญาอยู่ในพวกเราสำเร็จรุ่งรงไปด้วยดีทั้งหมดนะั่นะอิทิบาทพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ทั้งสองพันกว่าปีอิทิบาทที่จะทำให้สำเร็จสมความุ่งมั่นปรารถนาฉันทะคือความพอใจพอใจทุกคนด้วยกันวิริยะพยายามพร้อมเพียงไปในแถวเดียวกันทุกคนจิตตะมีความุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะเอาเรื่องในี้ให้สาเร็จรุ่วงไปได้ วิมังสาการกรองไตรตรองด้วยปัญญา น, ะนี่แหละวิมังสาการกรองไตรตรองด้วยปัญญาในเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนนี่นี่แหละอันนี้คือถ้ามีทาสี่อย่างนี้อยู่ในชุมชนกลุ่มใดความสำเร็จลุล่วงความสำเร็จสมความมุ่ง ม, มาตนปราถนาจะมีแต่ว่าอิทธิบาทคือเครื่องให้ คุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์สี่สิ่งเหล่านี้ให้พวกเราใข้ควรทบทวนไว้อยู่เสมอจิตตะสันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขาดคนไม่มีชันทะคืไม่มีความพอใจนะเลยเวลาพูดอะไรแสงงแ ง, งแสงงแงนะหิบเขียนน่ยหนีอยากอาให้มาใกล้นะไม่มีสันทะแล้วก็ไม่มีความภาคเพียนไม่มีวิริยะ ไม่มีจิตตะมีความไม่มีความมุ่งมั่นและก็ไม่มีความไม่ได้ใช้ปัญญาในเรื่องราวที่มีอยู่ทนั้นถ้าพวกเราใช้ทำคำสอนของพุท ธ, ธะมาเป็นกระจกเก่าไว้อยู่เสมอหลวงพ่อมั่นใจงานไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ที่หลวงพ่อทำงานมาเนี่ยมามามากแต่หลวงพ่อดูๆแล้วเหมือนกับ คนขี่ใจสอนะเออเมือนออคลายๆคนใจใ จ, ใจสอเออแต่หลวงพ่อหนึ่งแต่ถึงควรจะแบกหลวงพ่อจะแบกม่ควรแบกหลวงพ่อจะแบกนะมันหนักฮงเอออย่างงานของหลวงตาเห็นไหมหลวงพ่อสู้อย่างสุดๆมีอะไรภายในวัดของเราต้องการเท่าไหร่เงินมีของในวัดพุ่มไปให้หมดเพื่อจะให้งานหลวงตาเสร็จเออแล้วคนเนี่ยออกมาเป็นยังไงก็เป็นที่ยอมรับกัน แต่ผู้ไม่ยอมรับก็มีเยอหรอกเป็นส่วนน้อยแต่ไม่กล้าผโผล่หัวออกมาเหมือนกันผู้ที่ไม่ยอมรับแต่ผู้ที่ยอมรับเนี่ยรู้สึกอบอุ่นทั่วหน้าที่คนมาวัดของหลวงพ่อที่โอ้เห็นท่านออกในงานทีวีในงานศพขององค์หลวงตาเกือบทุกวันแต่ได้ฟังคำพูดของท่านที่ท่านได้พูดวิธีการหรือว่าแนแนว ก็ได้ฟังเสียงของท่านเพียงแค่นี้หลวงพ่อก็เออก็ถ้าเขาไม่พอใจเขาคงไม่มาหาหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อกค่คิดเท่านั้นเองถ้าเขาพอใจในการแน่แน่นแนว น, นี่บอกกล่าวเขาจะได้มาสู่วัดของเราแต่หลวงพ่อเองก็ทําด้วยความตั้งใจจริงอย่างที่ว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอเอาเต็มเปี่ยม ที่จะให้งานสาเร็จดูล่วงไปะันนงานของหลวงปู่ล่าก็เหมือนกันงานของคุณแม่ชีแก้วก็เหมือนกันเงินลุกปู่จามฮะหลวงพ่อก็ได้เข้าไปหนุนจดุดแต่ได้จุดเหมือนกันเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหลวงพ่อเข้าไปเกี่ยวข้องแต่นอกนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรนะน่อะไรก็ได้ทีนี้ ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปทุกงานหรือว่าทุกที่นั้นเน่เราต้องการอะไรต้องการชื่อเสียงใช่ไหมต้องการลาบยศใช่ไหมพอไม่ยังไม่พออยู่เหรอเพียงแค่นี้ยังไม่พอเหรอหนะลวงพ่อก็ถามหลวงพ่อเหมือนกันนะอนัตถายาจโยมโลูกหลานนะหลวงพ่อถามหลวงพ่ออยู่เพราะนั้นหลวงพ่อถามหลวงพ่ออยู่คำนี้ว่าอยู่เสมอเนะพราะนั้นให้พวกลูกหลานทั้งหลายที่เขามาศึกษา แล้วก็มาฟังแนวความคิดของหลวงพ่อเนะี่ยให้พวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วก็คือให้รู้จักพอเพียงเพียงพอแล้วก็ให้ขยันให้รู้จักประกอบคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในความประมาทอันไหนคือคุณงามความดีรู้ไหมดีไงทำมันดีเหรอเราทำแต่ดีสิ่งที่มันชั่วอย่าทำอย่าคิดชั่วอย่าทำชั่วอย่าพูดชั่ว ให้ทําให้คิดดีทดําดีพูดดีเราอยู่นสถานที่ใดร่วมเหย็นเป็นถูกทั้งหมดนะ่ะท่านคิดดีทดําดีพูดดีอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วฉะนั้นขอบอกกล่าวฝากไว้กับลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะตอนน่อในไปพระสงฆ์มโนธนาให้พอดแต่พวกเราอย่าลืมนะคนวัดของเราให้บอกบอกกันเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาร่วมประชุม แต่พี่น้องทางไกลเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วเออเอาไปตามมัตยาสัยนะพี่น้องหลกหลานนะแต่กฎในวัดของเราเนี่ยตรงพอ่อบอกม า, มาร่วมกันหารือกันจไม่นานคงไม่ใช้เวลาไม่นานรับพ่อนเนสเรีเน่นะ